วันนี้จะขอเริ่มด้วยการตอบปัญหาที่ถามมาทาง Facebook มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคืออยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการทอดกระถินเพราะช่วงนี้ก็จะใกล้เทศกาลทอดกระถินกันอยากจะทราบความเป็นมาสาระสำคัญ ของการทอดกับถินนี้เป็นอย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นคือจดตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแล้วทรงประกาศพระธรรมคำสอนพอพระองค์ได้ประกาศพระธรรมคำสอนมีผู้ได้ยินได้ฟังก็ได้เกิดการบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมาก บรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์กันพอบรร ล, ลุแล้วก็เกิดศรัทธาขออนุญาตบวชเป็นพระภิกษุในบรวรพระพุทธศาสนาการกินอยู่ของพระภิกษุคือการกินอยู่ตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงดาเนินอย่างไรผู้ที่มาบวชตามพระพุทธเจ้า ก็ส่งปฏิบัติเช่นเดียวกันคืออาการบินทบาตเป็นการเลี้ยงชีพส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผาตามเรือนร้างเพราะสมัยนั้นยังไม่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดถวายสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างอะไรต่างๆ อย่างที่พวกเราเห็นกันในทุกวันนี้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัตินั้นไม่มีวัดมีแต่ต้องหาที่อยู่กันเองหาตามโคนไม้บ้างตามเรือนร้างบ้างตามถ้ำบ้างตามเงื่อมผาบ้างตามสถานที่สงบสงัดวิเวกเหมาะสมก่อการเจริญจิตตภาวนา ท่านไม่ได้ไปกังวลกับที่อยู่อาศัยว่าจะต้องเป็นกุฏิเป็นศาลาเป็นวิหารอะไรต่างๆเหล่านั้นส่วนอาหารก็อ า, อาศัยการบินตาบเป็นกิจวัตรถึงเวลาตอนเช้าก็สะพายบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อโปรดสัตว์บินตาบได้อาหารอะไรมาก็รับแล้วก็กลับมาที่ อักฉักันฉันเสร็จแล้วก็ไปประกอบความเพียรกันส่วนจีวรเครื่องนุ่งห่มนั้นก็เก็บเศษผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นในป่าชาผ้าหอ่อศพนี่ถึงมีคำว่าผ้าป่าสมัยก่อนในพระท่านจะใช้ผ้าป่าคือผ้าที่ทิ้งไว้ ในป่าชานั่นเองไปหาผ้าที่หอ่อศพผ้าที่ของคนตายที่เขาทิ้งก็ไปเก็บมาผสมเล็กผสมน้อยพอได้จานวนที่จะมาตัดเย็บป่ติดมาต่อให้เป็นจีวรผืนใหญ่ก็เอามาทำทำแล้วก็เอามาเอามาสักย้อม ด้วยน้ำที่ต้มจากแก่นไม้เช่นแก่นขนุนจะออกสีเหลืองๆทำให้เป็นผ้าสีเหลืองผ้ากาสาวพัดนี่คือผ้าที่พระภิกสุใช้กันในสมัยเริ่มแรกคือผ้าบางสกลุลผ้าที่ถูกทิ้งในป่าช้าเรียกว่าผ้าป่า ต่อมามีจำนวนของพระผู้ที่มีจิตศรัทธามาบวชกันมากขึ้นมากขึ้นจำนวนผ้าก็จะหายากขึ้นไปตามลำดับพระจึงมีได้อย่างมากก็คือกีวรเพียงผืนเดียวกีวรไว้นุ่งห่มเพียงผืนเดียวถ้าเปียกฝนเปียกอะไรก็ต้องห่มทั้งที่ผ้าเปียกๆอย่างนั้นเช่นมีคณะพระอยู่ กลุ่มหนึ่งได้เดินทางจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนปลายพรรษามาเจอฝนตกเข้ากีวรก็เปียกพอไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เฝ้าด้วยผ้ากีวรที่เปียกพระพุทธเจ้าก็ทรงมีความเมตตากรุณาเห็นความยากลําบากของพระภิกษุในสมัยนั้น ที่ไม่มีผ้าไว้เปลี่ยนเวลาที่เปลี่ยกถูกฝนอะไรอย่างนี้จึงได้ทรงบัญญัติหรือทรงให้มีพุท ธ, ธานุญาตคือสั่งให้ญาติโยมถวายผ้าเพื่อให้ผ้าพิกสุนำเอาม า, ม า, มาตัดเย็บเป็นจีวรเป็นผ้าหม่มผ้านุ่งได้นี่คือความเป็นมาของผ้ากระถิน ผ้าที่ญาโยมนําเอามาถวายให้กับพระเพื่อที่จะเอามาตัดเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งของจีวรที่มีอยู่สามผืนด้วยกันคือผ้านุ่งเรียกว่าสบงผ้าห่มเรียกว่าจีวรผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าสังคาติผ้าที่พระท่านใช้พาดบ่านนั้เรียกว่าผ้าสังคาติเป็นผ้า จีวรสองชั้นไว้สำหรับห่มเวลาในอากาศหนาวเยน็นรวมกันเป็นไตจีวร น, นี่คือความเป็นมาของเรื่องของการถวายผ้ากรถินก็คือถวายผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บยังไม่ได้ย้อมเป็นจีวรสาเร็จรูปเป็นผ้าขาวแล้วก็เอามาถวายให้กับสง คือไม่ให้ถวายเจาะจงให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดให้ถวายเป็นสังฆทานคือเป็นของส่วนกลางไม่ได้เป็นของพระรูปหนึ่งรูปใดแล้วให้พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ลงมติว่าควรจะมอบผ้าผืนนี้ให้กับพระรูปใดโดยธรรมเนียมก็จะมอบให้กับพระผู้ใหญ่ พระที่เอาบุโสที่สุดพระที่เป็นหัวหน้าเป็นครูบาอาจารย์พระที่ท่านพอท่านได้รับผ้าแล้วก็เอามาตัดเย็บซักย้อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มอบให้กับพระเถระพระผู้ใหญ่เพื่อให้ท่านได้เปลี่ยนผ้าเก่าส่วนผ้าเก่าของท่านก็จะมอบให้กับพระที่มีผ้าที่ เร็วกว่าผ้าเก่าของท่านพระที่ได้รับผ้าเก่าก็จะเปลี่ยนผ้าเก่าของตนให้กับผ้าผู้ที่มีผ้าที่เร็วกว่าตามลำดับไปถ้ามีผ้าผืนเดียวแต่ถ้ามีการถวายผ้ามากมีการสามารถตัดเย็บผ้าจีวรได้หลายผืนได้มากเท่าไหร่ก็เอามาแบ่งกันโดยให้ถือหลัก ว่าผู้ใดมีผ้าที่เก่ากว่าเป็นผู้ที่ควรจะได้รับผ้าใหม่ก่อนหรือจะให้พราอบุโสก่อนก็แล้วแต่ความเคารพอันนี้ได้ทั้งสองอย่างจะมอบให้กับพระเถระผู้ใหญ่มีผู้มีพันธา s มากกว่าเนื่องจากมีความเคารพนับถือหรือว่าจะให้กับพระที่ผ้าขาดมาก ไม่สามารถจะใช้ผ้าผืนนั่นได้อีกต่อไปหรือจะใช้การเปลี่ยนเอาผ้าเอาผ้าใหม่ให้ผ้าเทระแล้วเอาผ้าเก่าของผ้าเทระมาใช้อย่างนี้ก็ได้นี่คือเรื่องของผ้ากระถินเป็นเรื่องของการถวายผ้าและผู้ที่จะรับผ้ากระถินได้นี้ก็ต้องมีคุณสมบัติคือต้องอยู่จำพรรษา ไม่ไปจาริกไปที่ไหนตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันถ้าไม่อยู่จำพรรษาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากรถินได้แล้วพระสำนักของพระที่อยู่ที่จะรับผ้ากระถินนี้ก็ต้องมีพระอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปถึงจะรับผ้ากรถินได้ แล้วผ้ากรถินนี้ก็จะรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ใช่รับแบบไม่มีจํานวนจํากัดแบบมีกรถินห้าหกกองเจ็ดแปดกองอย่างนี้ไม่เป็นไปไม่ได้รับได้เพียงครั้งเดียวเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เกิดการสะสมผ้ามากจนเกินไป ไม่ต้องการให้มาเสียเวลากับการตัดเย็บกีวรกับการรับผ้าเพราะไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญภาระหน้าที่สำคัญของพระก็คือการภาวนาการปฏิบัติชำระความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากใจ แล้วภาพที่ได้รับมาแล้วก็จะต้องมีทําการตัดเย็บซักยอมให้เสร็จภายในวันนั้นเพื่อต้องการให้มีความสามัคคีความพร้อมเพียงยังไม่ให้ปล่อยทิ้งไว้ให้เสียเวลาต้องกลายเป็นภาระที่ที่ไม่มีวันเสร็จสิ้น ยึงบังคับให้ต้องตัดเย็บจีวรผ้ากระถิน่นให้เสร็จภายในวันนั้นได้รับมาแล้วก็ต้องเอามาตัดมาเย็บเอามาซักเอามาย้อมเอามาตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามามอบให้กับพระเถระที่สงมีมติจะให้มอบให เมื่อพระเทลรได้รับมอบแล้วก็จะมีการอนุโมทนาอันนี้ก็จะเสร็จพิธีของการรับผ้ากรถินผ้ากรถินก็มีเพียงแค่นี้เป็นเรื่องของภาพล้วนๆไม่มีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องในสมัยพระพุทธการนี่พระพุทธเจ้าไม่ส่งส่งเสริม เรื่องถาวรรวัตุต่างๆไม่ส่งเสริมเรื่องสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิเรื่องราวเหล่านี้ทรงปล่อยให้เป็นเรื่องของศรัท ธ, ธาญาติโยมใครมีจิตศรัท ธ, ธาอยากจะสร้างกุฏิอยากจะสร้างวัดถวายพระก็ปล่อยให้เขาสร้างไปเขาสร้างเสร็จแล้วเขานิมนพระไปอยู่พระก็ไปอยู่ได้ แต่พระเราไม่มีหน้าที่ที่จะมาสร้างค้าบวรวัตถุต่างๆจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองสมัยพุทธกาลนี้ผ้ากระถิน่นจึงไม่มีซองกระถิ่นกันเหมือนกับสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันนี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ผ้าแล้วอยู่ที่เงิน ที่จะเอามาสร้างถาวรลวัตถุต่างๆเช่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรือมาบูรณะซ่อมแซมถาวรละวัตถุที่ชำรุดทรุดทรมไปนี่คือเรื่องของการทอดกระถินดังนั้นถ้ามาเน้นเรื่องการหาเงินหาทองนี้ก็แสดงว่าหลงทางแล้วเพราะว่า กรถิ่นนี้คือแปลว่าผ้านี้เองผ้าที่เอามาตัดเย็บเป็นจีวร น, นุ่งหม่มเป็นผ้าไตจีวรเป็นผ้าสมบงผ้าจีวรผ้าสังาติไม่ได้หาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทําอะไรต่างๆแต่ถ้าผู้มีจิตสัตธาอยากจะถวายเงินถวายทองเพื่อ การสร้างถาวัและวัตถุหรือเพื่อกิจกรรมอะไรต่างๆนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมไม่ได้เป็นเรื่องของวัดไม่ได้เป็นเรื่องของพระดัง น, นั้นถ้าอยากจะทราบว่ากถินนี้มีความหมายว่าอย่างไร ก็ขอให้ทราบว่าเป็นเรื่องของการถวายผ้าเพื่อที่จะได้นำเอามาตัดเย็บเป็นจีวรให้พระได้สวมใส่เพราะ ผ, ผ, ผ้าที่ใช้มาแล้วย่อมเกิดการชำรุดทรุดโทรมเกิดการขาดได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ้าเป็นระยะระยะไปซึ่งปีหนึ่งก็ในช่วงออกพรรษา หลังจากออกพรรษาออกพรรษ า, ออ น, านี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถวายผ้ากระถินได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนคือนับตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองวันรอยกระทงอันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถวายผ้ากระถิ่น หลังจากนั้นแล้วก็ให้พระที่ไม่มีผ้าไปหาผ้าป่าคือไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆทิ้งไว้ตามป่าชาคือไม่ต้องการให้พระมายุ่งกับเรื่องการพิธีกรรมเรื่องของการมารับผ้ากันทั้งปีไม่มีวันไม่มีวันหยุดวันอะไระเพื่อจะได้ไม่มาต้องมาเสียเวลา จะได้มีเวลาไปเปริกวิเวกไปบำเพ็ญกิจที่เพิ่งจากระทำก็คือการเจริญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพระสมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นพระทุดงกันคือจะไม่อยู่กับที่นานจนเกินไปจะเปลี่ยนที่ไปเพื่อหาที่ที่เหมาะต่อการภาวนา พอเวลาอยู่ที่ใดนานๆแล้วก็จะเกิดความชินเกิดความสบายเกิดความสะดวกก็จะทำให้มาติดอยู่กับการอยู่แบบสะดวกอยาสบายแทนที่จะภาวนาก็จะไม่ได้ภาวนาก็เลยมักจะเปลี่ยนที่กันย้ายที่กันเปกเว่่ยกัน ก็อยู่กับที่นานๆาเดี๋ยวก็มีศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องด้วยก็จะในกิจที่เกี่ยวกับญาติโยมญาติโยมก็ชอบทำบุญถวายทานก็จะทำให้มีภาระที่ไม่สําคัญมาเกี่ยวข้องคือเรื่องวัตถุเข้าขอ ง, งต่างๆจะทำให้เสียเวลา เพราะจะต้องมาดูแลบริหารจัดการกับข้าวของต่างๆที่ได้รับมาต้องเสียเวลากับการทำพิธีกรรมให้กับศรัทธาญาติโยมเช่นสวดบ้างอะไรบ้างก็จะไม่มีเวลาภาวนาพระที่ยังไม่ได้หลุดพ้นยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็มากจะต้อง เปกขาที่สงบสงัดวิเวกอยู่ตามลําพังการอยู่จำพรรษานี้เพราะต้องอยู่ถูกถูกบังคับให้อยู่เนื่องจากมีปัญหาช่วงเป็นเพราะเป็นช่วงฤดูเพราะปลูกของชาวบ้านชาวนาชาวไร่ถ้าพระไม่อยู่กับที่จาริกไปตามสถานที่ต่างๆก็มักจะเดินรัดทุง่งรัดนารัดไร่ของชาวบ้าน ที่เขาได้ทำการหว่านปลูกพืชต่างๆเอาไว้ก็อาจจะไปเหยียบย่ำทำลายพืชทำให้เกิดความเสียหายได้จึงมีการขอร้องจากชาวนาชาวไร่ให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนแต่พอออกพรรษาแล้วเป็นหน้าแรงแล้ว เพืชต้นไม้ต่างๆก็จเจริญติบโตแล้วทีนี้ถ้าจะเดินลัดทุ่งรัดนาก็าจะไม่เป็นปัญหาอะไรพอออกพรรษากันพอได้รับผ้ากรถินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มักจะแยกกันไปไปเปรกเว้ไปอยู่ตามลําพังตามถ้ำบ้างตามเนื้อมผาบ้างตามเดือนร่างบ้างตามโคนไม้บ้างเป้าหมายก็คือต้องการอยู่ วิเวกอยู่ห่างไกลจากลูกเสียงกลิ่นรสผลพระที่จะมาบรบกวนกับการภาวนากับการเจริญสมถะภาวนาคือการทําใจให้สงบกับการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นปัญญาที่แท้จริงที่จะทําให้สัตว์โลก หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกต้องเห็นต้องมีปัญญาต้องเห็นอาาริยสัจ ส, สเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคที่มีอยู่ภายในใจเห็นอนิจจังทุกขังในสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงยึดไปหลงยึดหลงติดอยากได้ ถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมีปัญญาเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราสั่งไม่ได้สั่งให้หันซ้ายหันขวาไม่ได้ สั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเห็นว่าไม่สามารถได้ดังใจอยากก็หยุดความอยากพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์การที่จะเห็นอริยรรสัจสีเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากได้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาได้ ใจจะต้องมีความสงบถ้าใจไม่สงบแล้วจะมองไม่เห็นเพราะจะถูกกำนาจของโมหะความหลงถูกกำนาดของความโลภของความโกรธครอบงำทำให้ไม่สามารถเห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นอนิจจังสิ่งที่เป็นทุกขังว่าเป็นทุกขังสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาแต่จะกลับถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าเป็นนิจจัง เป็นสุขขังเป็นอัตตาพอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังเป็นอัตตาก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาพอเกิดความอยากได้ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาทันทีเวลาได้มาก็จะเกิดความเครียดกับการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นอนิจจังให้เป็นนิจจังให้ได้คือสิ่งที่จะเสื่อมสิ่งที่จะหมดไปไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดไป พอรักษาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาร้องห่มร้องไห้กันขึ้นมานี่เป็นเนเพราะว่าไม่มีสมถะภาวนาคือไม่มีความสงบถ้ามีความสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงจะถูกกําลังของสมถะภาวนานี่กดเอาไว้ทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ พอความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถทำงานหลอกใจให้เห็นผิดเป็นชอบได้ใจก็สามารถเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้คือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบได้เห็นว่าเป็นอนิจจงเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจงเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้ความทุกข์ก็จะดับไปเพราะความทุกข์ก็เกิดจากความอยากได้นั่นเองอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพระมีเท่านี้ละคือศีลสมาธิปัญญารักษาศีลรักษากายวาจะให้บริสุทธ ไม่กระทำสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่นเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมารักษาศีลได้แล้วก็ต้องมาทำใจให้สงบเป็นสมาธิเพื่อจะได้สอนใจให้เห็นความจริงได้สอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคภายในใจได้ ถ้าเห็นได้ก็จะละความอยากต่างๆได้ละกามะตัญหาได้ละภวะตัญหาได้ละวิภาวะตัญหาได้พอละได้แล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากกามะตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี่เอง นี่คือหน้าที่ของพระในสมัยพระพุทธกาลกันจึงมีพระอาหารหันต์เป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีผู้สอนมีผู้สั่งให้ปฏิบัติอย่างนี้เพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปยุ่งกับภารกิจอย่างอื่นเช่นบุญบังสังสวดไม่ให้ไปยุ่งกับงานบุญต่างๆ ง, ง, งานบุญวันเกิดงานบุญอะไรต่างๆ บุญบังบังสกุลก็คือบังสงกนการก็คือการถวายผ้าป่านี่เองถวายรับผ้าป่ากันรับกันมาจนเต็มกุติผ้าเต็มกุติมีประโยชน์อะไรมีร่างกายเพียงร่างเดียวผ้าชุดเดียวก็พออยู่แล้วผ้าตายจีวอนนี่ก็พอแล้วแต่มีศรัทธาก็ขัดศรัทธาไม่ได้ ใครมาอยากจะถวายผ้าก็รับผ้าใครอยากบังสกุลก็บังสกุลใครอยากถวายสังฆทานก็ทำพิธีสังฆทานบุญบังสังสวดใครอยากให้สวดก็สวดให้บางทีไม่สบายใจก็อยากจะงฟังพระสวดมนให้สวดเล่ารู้สึกสบายใจนิมวลพระไปฉันที่บ้านนี่มวลพระสวดสวดแล้วเป็นสิริมงคล แล้วก็ถวายทรัพย์สวายข้าวของต่างๆให้กับพระพระก็เลยร่ำรวยทางด้านทรัพ์สมบัติเงินทองกุตกุติที่อยู่อาศัยบางทีดีกว่าของชาวบ้านเข้าไปนี่คิดว่าอาจจะเป็นพระราชาวังก็ได้นี่นี่คือพระสมัยปัจจุบันเพราะไม่มีใครมาซอนมาสั่งเหมือนกับสมัยพุทธกาล ที่มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต่อสาวกทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์จะคอยเขี่ยวเข็นคอยขับไล่ให้เข้าไปในอยู่ในป่าให้ไปปีกวิเวกให้ไปเดินจงกรมให้ไปนั่งสมาธิให้ไปเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาจนได้มารู้เป็นพระอริยสาวกขั้นต่างๆกันตั้งแต่ขั้นโสดาบัน ขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นพระอารหันต์นี่คือความแตกต่างระหว่างพระสมัยพระพุทธกาลกับพระสมัยนี้พระสมัยนี้นี้แทบจะไม่รู้จักเรื่องของการภาวนาเลยแต่รู้แต่เรื่องของการสวดทาพิธีต่างๆถ้าถ้า อนิมนต์ให้ไปทำพิธีบุญบางสังสว่วนนี้ทำได้กันอย่างคล่องแค้่วว่องไวแต่ถ้าจะให้ไปนั่งสมาธิให้ไปเดินจงกรมให้ไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขานี่แทบจะหาไปไม่ค่อยได้เลยส่วนใหญ่ก็จะอ้างติดภารกิจต่างๆติดภารกิจของทางทางวัดติดภารกิจของทางญาติโยม บวชมาก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับแก่นธรรมก็คือการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาไม่มีวันที่จะได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติของแก่นธรรมก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆจนกลายเป็นของแปลกประหลาดไปถ้ามีผู้ใดมาพูดว่าได้บรรลุ ทำคันนั้นคันนี้ก็จะกลายเป็นที่ลังเลสงสัยว่าเป็นไปได้หรือเพราะว่ามีพระที่มาหลอกกันอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่เป็นประจำอยู่แล้วอ้างว่าบรรลุคันนั้นคันนี้ทำไปทำมาไม่นานก็ปรากฏว่าไปกระทำในสิ่งที่พระที่ได้บรรลุนั้นไม่พึงกระทำ จึงทำให้ผู้ที่บรรลุทำอย่างแท้จริงนี้เป็นบุคคลที่หายากและน่าเชื่อถือยากเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงดังนั้นพระที่ได้หลุดพ้นจริงๆนี้มักจะไม่อยากจะพูดไม่กล้าพูดเพราะพูดไปแล้วนี้จะเป็นปัญหามากกว่าจะเป็นประโยชน์ ยิต้องอยู่กันแบบเงียบๆไปแล้วก็ปล่อยให้ผู้ที่มีหูมีตามีปัญญาที่จะแยกแยะดูว่าเป็นพระอย่างไรเท่านั้นที่จะรู้ได้พวกที่ไม่มีปัญญาก็ต้องเป็นพวกที่ต้องเชื่อต้องตามกันไปใครเขาว่าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะแห่กันไปะ ถ้าแห่ไปถูกองค์ที่เป็นอย่างที่พูดก็ดีไปถ้าแห่ตามไปกับองค์ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดก็ต้องมาอกหักในภายหลัง ว, วดไปแล้วแทะกันตามไปแล้วนายที่สุดก็สึกไปไ ป, ไปมีภรรยาอย่างนี้อย่างนี้ก็อกหักกันไปหลายลายด้วยกันอันนี้เพราะว่าตนเองไม่มีปัญญา ที่จะแยกแยะว่าพระแท้พระปลอมนั้นเป็นอย่างไรเพราะตนเองก็ไม่ได้ศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องคือไม่ได้ศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองชาวพุทธเหล่านี้ความจริงจะต้องรู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก่อนต้องรู้พระสูตรที่สําคัญสําคัญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เช่นธรรมจักรกับพระวัตนสูตรอันนี้เป็นพระสูตรแรกที่พระเจ้าได้ทรงประกาศทรงสั่งสอนเป็นพระพรปฐมเทศนาเป็นการเทศอันแรกทรงสแสดงเรื่องของพระอริยสัจสี่ทรงสแสดงเรื่องของมรรคแปดที่เป็นแก่นของพระาศาสนาถ้าศึกษาแล้ว ต่อไปเวลามีพระรูปใดมาสั่งสอนอะไรก็จะได้มีมีมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามากั่นกรองอีกทีมาเปรียบเทียบอีกทีว่าสอนตามที่พรธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าไม่ทรงสอนตไม่สอนตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะรู้ว่าไม่ใช่ทางเสียแล้ว อต่นี้ไม่มีไม่รู้เนี่ยเพราะว่าไม่ศึกษากันธรรมจักไม่ศึกษาสติปัฏฐานสูตรไม่ศึกษาอาธิตยะสูตรไม่ศึกษามงคลละสูตรไม่ศึกษากันนี่แหละคาสอนสาคัญสำคัญของพ่ะพระเจ้านี้ไม่ศึกษากันไม่รู้กันไม่รู้ว่าอะไรเป็นแก่นไม่รู้ว่าอะไรเป็นเตือเป็นกพี สมาธิก็มักจะไปหลงกับสมาธิที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหารเห็นนรก ok, เห็นสวรรค์มีตาทิพย์ผูทิพย์มองเห็นเลขเห็นเบอร์อย่างนี้ก็จะคิดว่าเป็นพระวิเศษขึ้นมาแล้วแต่หารู้ไหมว่าเป็นสมาธิปลอมเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่เป็นสั ม, มาสมาธิที่ทรงแสดงไว้ในมรรคแปด ตาเป็นสัมมาสมาธินี้จิตต้องว่างต้องสงบต้องเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ถ้ารู้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิจะทําให้หลงไหลคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วทั้งๆที่ กิเลสตัณหาก็ยังมีอยู่ในหัวใจเหมือนเดิมวิชาสมาธินี่ไม่สามารถที่จะตัดกำลังของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ต้องมีต้องเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่มีความสงบมีความว่างมีความอุเบกขามีศักิ์แต่ก็รู้ี้ถึงจะเรียกว่า เป็นสมาธิที่จะตัดกำลังของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ที่จะเป็นฐานให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ที่จะทําให้จิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากได้ต้องเป็นสัมมาสมาธิถ้าเป็นมิจฉาสมาธินี้จะไม่มีวันเห็นได้จะเห็นแต่นวโลกเห็นแต่สวรรค์เห็นแต่พูดผีปีศา เห็นแต่นางฟ้านางเทวดาเห็นอะไรจิตปาทายา ล, ลุกชาติได้อันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าบุคคลธรรมดาแต่เป็นความวิเศษที่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้เรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจ พอไม่สามารถดับความโลภความโกรธความหลงดับความอยากต่างๆได้พราะไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆแทนที่จะต่อต้านต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงกลับไปทาตามความโลภความโกรธความหลงก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมา ไม่ได้ทำให้ความทุกข์นั้นดับไปอันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากวัฒธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเชื่อคำสอนของพระที่เราได้มาพบถ้าท่านเป็นพระที่แท้พระดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรท่านก็จะสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการแต่ถ้าไปเจอพระที่ไม่ใช่เป็นพระแท้พระปลอม พระที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะถูกท่านสอนไปในทางที่ผิดได้สอนให้ไปหลงกับการเพ่งดูสวรรค์เพ่งดูนรกสอนให้ไปเจราญอิธิปาฏิหาริ์ต่างๆเราลึกชาติได้เห็นเทวดาเห็นอะไรต่างๆซึ่งการเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับการที่จะมาทำ กิเลสตัณหาให้หายไปให้หมดไปไม่เป็นประโยชน์ต่อาการทำจิตใจให้ผลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นในเบื้องต้นนี้ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องเข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จ ะ, อะสอนให้เราหลุดพ้นได้เพราะว่า อาจจะเป็นเหมือนกับอ่านตำราที่เราอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งพอสมควรถึงขั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้แต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปต่างๆเราจะได้รู้ว่าท่านสอนไปในทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งส อ, งสอนหรือไม่ ในมรรคแนี้ก็มีทั้งสัมมาสมาธิมีทั้งสัมมาทิฏฐิคือปัญญาแต่บางสำนักท่านก็สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันอันนี้ถ้าเราได้ศึกษามรรคแปดมาแล้วเราก็ต้องสงสัยแนละ้วเอ๊ะแล้วทาไมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสัมมาสมาธิแล้วนี่ทําไมมาสอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันไม่ต้องมีสัมมาสมาธิ ให้มีปัญญาเลยให้ใช้เจริญปัญญาเลยแล้วมันจะเป็นปัญญาแบบไหนปัญญาแบบกิเลสเท่านั้นสิเพราะว่าถ้าใจไม่สงบแล้วกิเลสมันไม่สงบตัวลพอใช้ปัญญามันก็จะเป็นปัญญาของกิเลสเท่านั้นแหละก็จะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่เห็นอริยสศศศศศศัจสีอย่้งนั้น คำสอนที่ถูกต้องนี้ต้องมีครบมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสมถะภาวานาและวิปัสสนาภาวานาไม่ใช่มีแต่วิปัสสนาภาวานาอย่างเดียวไม่ต้องมีสมถะภาวานาอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือความจำเป็นของชาวพุทธเราทุกคน เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสราณะแต่เรากลับไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไรไม่รู้จักว่าธรรมจักกับปวานัตสูตรนี่มีอะไรบ้างสติปัฏฐานสูตรนี่มีอะไรบ้างไม่รู้จักอนัตตลักษณสูตรว่ามีอะไรบ้างไม่รู้จักมงคลรสูตรว่ามีอะไรบ้างไม่รู้จักอาทิตยสูตรว่ามีอะไรบ้างนี่แหละคือพระสูตรที่สำคัญสำคัญ มีอยู่สี่ห้าพระสูตรนี้เท่านั้นถ้ารู้สี่ห้าพระสูตรนี้แล้วจะได้แก่นของศาสนาจะไม่หลงทางจะได้แผนที่ที่จะนําพาไปสู่มรรคผลนิพพานนําพาไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าพวกเรายังไม่เคยอ่านกันไม่เคยศึกษากันก็ควรที่จะเข้าไปหาพระสูตรเหล่านี้กันสมัยนี้เป็นสมัยที่หาง่ายด้วย ไม่ต้องไปตามวาตาม า, ตา ม, าตามห้องสมุดเด๋ยวนี้มีห้องสมุดเข้ามาถึงในบ้านเราแล้ ว, ลวผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ของเราเป็นแต่กฎคำว่าทำมาจากกับปวัตนะสูตรท่านนี้ก็จะปรากฏขึ้นม า, าใส่ก็สติปัฏฐานสูตรเข้าไป อ, าอนัตลนตลักษณะสูตรเข้าไปมงคลลสูตรเข้าไปแล้วก็จะปรากฏ คำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจเพื่อเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์รูปต่างๆเราจะได้มีแผนที่หรือ ม, ม, มีมีคำสอนไว้มาเปรียบเทียบว่าท่านสอนตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่นี่คือความจำเป็นถ้าเราไม่มีอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเชื่ออย่างเดียว เชื่อคนที่สอนถ้าท่านสอนถูกก็รอดตัวไปถ้าท่านสอนผิดก็จะพาให้เราผิดไปด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่ไว้ใจเราต้องฉลาดร อ, อบคอบอย่างโบราณเาว่าอย่าว้าวาใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตาย ในการลมัสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่าไม่ให้เชื่ออยู่สิทประการด้วยกันเช่นไม่เชื่อไม่ให้เชื่อเพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์ถึงแม้เขาเป็นครูบาอาจารย์แต่คาสอนของเขานี่สอนไปถูกทางหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะรู้ว่าเขาสอนถูกและไม่ถูก ดังนั้นไปอ่านพระสูตรเหล่านี้เถิดแล้วจะได้มีหลักฐานไว้สำหรับเป็นการยืนยันว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราไปศึกษานี้ท่านสอนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าท่านไม่สั่งสอนก็ควรจะพิจารณาว่าสมควรที่จะศึกษาจากท่านต่อไปหรือไม่ศึกษาแล้วจะพาให้เราไปถึง มรรคผลนิพพานหรือไม่ศึกษาแล้วจะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่อันนี้แหละเป็นตัวสาคัญที่สุดผู้ที่จะหลุดพ้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่จะต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมาก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่ส in ี special life, special life, ame, peace, ่ขั ame, ้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีนี้ต้องเห็นอสุภะก็คือเห็นความไม่สวยงามของร่างกายนอกจากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต้องเห็นอสุภะด้วยถึงจะตัดการอารมณ์ได้ นี่คือเรื่องของการเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาที่พึ่งเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็ต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรทรงดําเนินอย่างไรพระอริยสงฆ์สาวกทรงปฏิบัติทรงดําเนินอย่างไรแล้วทรงสั่งสอนอย่างไรเราก็จะได้มีแบบมีฉบับ บีแนวทางในการดำเนินถ้าเราไม่ศึกษาแลวเราไปฟังคนนั้นคนนี้สอนให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไม่รู้ว่าเขาสอนถูกหรือสอนผิดเดี๋ยวเราก็อาจจะกลายเป็นองคุลิมานขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวไปถูกอาจารย์สอนให้ไปทำบาปทํากรรมแทนที่จะสอนให้ละบาปกับสอนให้ไปทำบาป แทนที่จะสอนให้ละความโลภความอยากกลับไปสอนให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาองคุลิมานี้ก็ถือว่ามีบุญมากมีโชคมากที่ได้ไปพบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสายเกินไปพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าตนเองนี้เดินมาผิดทางเสียแล้ว การฆ่าผู้อื่นนี้จะทำให้ตนเองวิเศษขึ้นมาได้อย่างไรการทำบาปจะทำให้ตนเป็นผู้วิเศษได้อย่างไรในทางโลกอาจจะยกย่องว่าเป็นถือว่าเป็นผู้วิเศษคือมีความสามารถที่จะฆ่าคนอื่นได้เก่งกว่าคนอื่นสมัยก่อนเขาอาจจะมีกีฬาฆ่ากันใครชนะใครฆ่าได้ก็ถือว่าเป็นผู้ชนะก็จะได้รับรางวัล แต่นี่มันไม่ได้เป็นความชนะที่แท้จริงความชนะที่แท้จริงต้องชนะความโลภความโกรธความหลงชนะความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราเพราะศัตรูที่แท้จริงของเรานี้ไม่ใช่บุคคลต่างๆสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆแต่ศัตรูของเราที่แท้จริงก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เองเพราะ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เป็นผู้สร้างความทุกข์ใจให้กับเราที่เราทุกทรมานใจเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายกังวลกัวายหวาดกลัวไปกับสิ่งต่างๆนานานี้ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เองไม่ได้เกิดจากอะไรเลย ถ้าเราฆ่าความโลภความโกรธความหลงค่าความอยากต่างๆได้ได้ไปหมดแล้วจะไม่มีความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่ในใจจะไม่มีความกังวลกังวายกังสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับจะไม่มีความว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเงาจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจะเหลือแต่ความเย็นความสบายความอิ่มความพออยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครก็ตามจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่ว่าจะพลดพลาดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่จะไม่เป็นปัญหากับใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆเลยแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความอยากอยู่ ใจนี้จะต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวต่างๆไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นผู้ที่เป็นศัตรูที่แท้จริงจึงไม่ใช่บุคคลต่างๆสัตว์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆเพรสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราได้อย่างมากที่เขาทำได้ก็ทำลายร่างกายนี้ให้ตายไปเท่านั้น ร่างกายนี้ไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่ในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดีสัต์ตูที่แท้จริงของร่างกายคืออะไรก็คือวันเวลานี้เองวันเวลานี้แหละจะเป็นตัวทาลายร่างกายนี้พอร่างกายนี้อายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนี่มันก็เริ่มตายไปแล้วมันต้องมีใครมาทำลาย ดังนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมากังวลมาดูแลรักษาสิ่งที่เราต้องกังวนต้องคอยดูแ ล, แลรักษาก็คือใจของเราที่ไม่มีวันตายแต่ใจที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีวันหมดสิ้นเพราะว่าไม่รู้จักว่าศัตรูผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนี้เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดสรู้และนําเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอน พวกเราก็จะไม่หันเข้ามาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่แท้จริงของเราเราก็จะกลายเป็นทาสของข้าศึกศัตรูเราจะทำตามคำสั่งของข้าศึกศัตรูสั่งให้มาทำลายใจเราสั่งให้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราสั่งให้ใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายกระสับกระส่ายกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ย นี่เป็นคําสั่งของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นแต่ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาบอกความจริงให้กับเราแล้วว่าข้าศึกศัตรูของเรานี้ไม่ได้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็คือความอยากต่างๆนี่เองกิเลสตัณหาเนี่ยอยู่ภายในใจของเราและจะตายจากปัจจัยของเราได้ก็ต้องตายด้วยการเจริญจิตตภาวนา สมถภาวนาทําใจให้สงบใจสงบแล้วก็จะร่อนวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นทุกขสมุทัยนีโรจน์นพอเห็นแล้วก็จะเห็นว่าออทุกเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากมักก็คือการเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นทุกขังนี่เองพอเห็นแล้วก็จะหยุดความอยากได้ละความอยากได้ ละความอยากได้นิโรธดคือการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปอันนี้แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นขาวละว่าหรือเป็นนักบวชหน้าที่ของเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การภาวนาเรื่องการทำบุญสงฆ์พระภิกษุนี้ก็ทำไปตามเหตุตามผล พระภิกษุขาดแคลนอะไรก็ถวายไปขาดผ้าก็ถวายผ้าขาดอาหารก็ถวายอาหารขาดยาก็ถวายยาแต่ยาถวายกันมากจนกระทั่งไม่มีขอบไม่มีเขตะแล้วทําให้พระภิกษุแทนที่จะมีเวลาไปปีกวิเวกก็ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการรับทานเรื่องของการทําบุญสองศรัทธาญาโยมยาโยมก็มาวุ่นแต่การทําทานไม่ไปสนใจกับเรื่องการรักษาศีลเรื่องการภาวนา ก็เลยไม่เข้าถึงแก่นกันสักทีอยู่กับเปลือกอยู่กับกรพีมามรรคผลนิพพานนี้จะไม่เกิดจากการปฏิบัติเปลือกกับกระพี้คือการทำทานรักษาศีลมรรคผลนิพพานนี้จะเกิดจากการเจริญจิตตะภาวนาเท่านั้นต้องเจริญทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถึงจะได้มรรคผลนิพพานถ้าเจริญแต่สมถภาวนาเพียงอย่างเดียวแล้วไปเป็นมิจฉาสมาธิด้วยก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ พอนั่งสมาธิเห็ น, นเห็นนรกเห็นสวรรค์นรกชาติได้เห็นเบอร์เห็นอะไรก็เลยกลายเป็นหมอดูไปทํานายทายทักไปเออ่กลับมาเจริญราบยศสรรเสริญกันแทนที่จะบรรลุมรรผลนิพพานก็มาบรรลุราบยศสรรเสริญพอมีตาทิพย์หูทิพย์คนก็อาหลังไหลกันเข้ามามีเงินมีทองเอาเข้ามาถวายกันมาแจกมาให้กันเอ ก็หลงนําหลงกับทรัพย์สมบัติเงินทองเอาเงินทรัพย์สมบัติเงินทองมาถลุงตามความอยากของกิเลสตัหาอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะดูอะไรก็ดูอยากจะไปไหนก็ไปกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของมิจฉาสมาธิสมถะภาวนาผิดทางสมถะภาวนาถูกทางจิตต้องนิ่งต้องสงบต้องอิ่มต้องไม่หิวต้องไม่อยากเป็นอุเบกขาสัจจะว่ารู้ พอออกจากสมาธิภาวนาพอเกิดตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่านี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมากแล้วพอเกิดตัณหาก็ต้องรู้ว่านี่เป็นสมุทัยแล้วเป็นผู้สร้างความทุกข์แล้วทุกข์พอไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาในสิ่งที่อยากได้พอเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาได้มาแล้วจะต้องสูญไปต่อไปก็จะไม่อยากได้ก็จะละความอยากได้ อันนี้แหละเป็นแก่นของศาสนาเป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธเรา ท, ทุกคนต้องเข้าให้ถึงให้ได้การทําทานการรักษาศีนนี้เป็นเพียงเหมือนบันไดเป็นทางที่จะนำพาเข้าสู่การภาวนาถ้าไม่ทําทานไม่รักษาศีลก็จะมุวมไปวุ่นกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองไม่สนใจที่จะรักษาศีนทําบาปทํากรรมกันไปเพื่อที่จะได้ลาบยศสรรเสริญ ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่มีวันที่จะเข้าสู่จิตตภาวนาได้แต่ถ้าได้ทำฐานได้รักษาศีลแล้วก็จะไม่ไปวุ่นวายไม่ไปหลงกับการแสวงหานาบชดสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะก็จะมีเวลาที่จะเข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาเข้าสู่การเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ พอเข้าภาวนาได้แล้วถ้าทำอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนนี่แหละคือกิจที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นข่าวลวาดญาติโยมไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ไม่สาคัญ เพราะว่าจิตนี้ไม่เป็นไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นเด็กไม่เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นนักบวชไม่เป็นคาวละวาดกิเลสก็ไม่ได้เป็นกิเลสของผู้หญิงหลือของผู้ชายกิเลสของผู้หญิงกิเลสของผู้ชายก็เป็นกิเลสเหมือนกันตันหาของนักบวชกับตันหาของคาวละวาดก็เป็นตันหาเหมือนกันทุกที่เกิดจากตัณหาทุกที่เกิดจากกิเลสก็ทุกเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่จะมาทาลาย ความทุกข์ทำลายเกเรตันหาได้ก็คือการภาวนานี้ดังนั้นทุกคนสามารถภาวนาได้ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีคนทุกเพศทุกวัยที่บรรลุมรรคผลนิพพานหญิงก็บรรลุชายก็บรรลุนักบวชก็บรรลุข่าวลาวาก็บรรลุผู้ใหญ่ก็บรรลุเด็กก็บรรลุคนแก่ก็บรรลุบรรลุได้ทุกเพศทุกวัยเพราะจิตไม่มีวัยผู้ที่บรรลุไม่ใช่ร่างกาย ผู้ที่บรรลุคืคอกิตดังนั้นอย่าให้เพศวัยต่างๆมาเป็นอุปสรรคขอให้เรารู้ว่าจิตของเราทุกคนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะมีร่างเป็นชายเป็นหญิงเป็น่างป่วยหรือเป็นคารวาะก็เป็นจิตที่มีกิเลสตัณหาที่จะต้องชำระด้วยการภาวนาเหมือนกันหมดถ้าได้ภาวนาและรับรองได้ว่ากิเลสตัณหาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ กาจับมาแล้วด้วยการเจริญจิตภาวนาจึงขอฝากเรื่องของการภาวนานี้เรื่องของการถวายผ้ากรถินที่ได้เราให้ฟังในเบื้องต้นนี้ให้ท่านได้นเอาไปเพนสเ พ, นพจนาและปฏิบัติเพื่อความดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยัติวาเรวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตจินังเปตานังอุปกาปะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปะาเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันททปนาราโสยัติมณีโชติ การโสยทาสพีติโยวิวาชานตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทานาสิลิสะนิจังุทธาปจายิโนจตารโธรรมวะทานติอายุวโนสุขังภาลัง ใครมาที่หลังอยากจะเอาของมาถวายอยากจะได้หนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาได้ถ้าอยากจะถามอะไรต่อก็ถามได้ใครฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามต่อได้นะอาจจะพูดแบบไม่ไม่ไม่ละเอียดถ้ายัางสงสัยตรงไหนก็ถามได้ พอไม่มีคาถามเลยวันนี้หมอนู่นมีรึเปล่าไม่มีทาง น, นี้มีรึเปล่าเอาไม่มีทางนี้ก็แล้วกันถ้าเอาว่ามายองฮอนาแล้วหนึ่างวันทำงานก็เจออพวทำงานร มันก็เป็นชะน่ที่ตลอดอย่างนีคก็ความคิดมันก็หายหมดมันก็จะเห็นมันจะไม่เมันก็จะนอกจากตอนีถ้าใช้อะไรมันก็จะตั้ง่ช่อ่เดี๋ยวเวลาบันขอมันนี่อย่นีใช่มคสัญญาทั้งหมดมันก็ดับไปแ้วค่ะแบบลืมทำอะไรก็จะลืม ก็เวลาทํางานก็ต้องอยากเข้าไปในสมาธิเวลาทํางานใจก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทําอย่าปล่อยให้ว่างต้องรู้อยู่ทุกขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่และถ้าเกิดก็คือมันก็ก็สมดระดับนี้แี่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มากระทบที่มากระทบทางหูตา ก็ให้ให้เอาจิตที่จะมาเิก็ได้แบบนี้มาพิจารณให้ลงกฎใจชี้ก็ให้ดูว่าใจเรามีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสหรือเปล่าใจเราเป็นอุเบกขาหรือเปล่าถ้าเป็นอุเบกขามันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตา เราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอยากแล้วเราจะไม่สบายใจเพราะเวลาไม่เป็นไปตามความอยากของเราถ้าใจเราเฉยไม่ได้ไปปีอะไรกับเขาก็ไม่ต้องพิจารณาใ่ <S <S 1> <S 1> ใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยนี้ก็สบายถ้าไม่เฉยก็ต้องดึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้กลับมาเฉยเหมือนเดิม ถ้าโยงประคองอารมณ์ประมาณนี้หมายมีเจ้าค่ะเวลาแต่คลุกแคลนก็จะโยงเจ้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่่ไม่ไม่ไมใช่อารมณ์ที่ประคองมาอย่นี้การคก็จะหดหลุดก็ต้องดึงกลับมาใหม่เดินกลับมาใช้สติเ ด, ดิงกลับมาใช้ปัญญาดึงกลับมาให้กลับมาเป็นอุเบกขาใหม่ จุดที่เราต้องการให้จิตตั้งอยู่ตลอดเวลาก็คือเบคาไม่โลภไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงรู้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้ทันใจก็จะไม่เกิดความโลภเกิดความอยากไม่เกิดความรักเกิดความชังเกิดความกลัวเกิดความหลงขึ้นมา ถ้ารู้ไม่ทันถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหลงหลงคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราก็จะเกิดความรักความหวงความกลัวขึ้นมาเะนนต้องสอนใจอยู่เรื่อยว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับสั่งให้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไป ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยากไปอยากปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะโมก็ปล่อยเขาโฉมไปแค่นี้ก็สบายแล้วถ้าปล่อยออการเจริญการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญได้ก็สบายเงินจะมาก็ปล่อยมันมาไปเช่นวันนี้มันมาก็ปล่อยมันมาไปพวงนี้มันจะไปก็ปล่อยมันไป เราอย่าไปใช้มันถ้าอย่างไม่ไปอาศัยมันสักอย่างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปใช้มันไปอาศัยมันมันก็จะเป็นปัญหาได้เพราะจะอยากให้มันมาอย่างเดียวไม่อยากจะให้มันไปแต่ไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วต้องไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับร่างกายเรามันเกิดแล้วมันก็ต้องตาย พอมันตายแล้วทุกอย่างที่มากับร่างกายมันก็ไปกันหมดไปกันพวงเดียวกันเลยลากยธสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่มากับร่างกายก็ไปกันทีเดียวหมดเลยเวลาตายนี่ไปหมดเลยลูกก็ไปสามีก็ไปภรรยาก็ไปรับสมบัติเข้าวของเงินทองก็ไปตำแหน่งอะไรต่างๆก็ไปหมดไม่มีเหลือเป็นนายกก็ไปเป็น ประธานาธิบดีก็เป็นกับไ ป, บ ไ, ปไปหมดเวลาตายแล้วเขาไม่เอาเขาไม่ให้นายกตามไปด้วยเขาไม่ใส่นายกเข้าไปในโรงเขาใส่แต่ร่างกายที่มีอาการสสา32นายกเขาก็มอบให้คนอื่นต่อไปงั้นอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้ของชั่วคราวส ม, สมบัติผัดกันชมเป็นทุกทุกเวลาที่จะต้องพัดภาคจากกันทุ ก, กับเวลาที่ต้องคอยดูแลรักษา ทุกวันนี้นั่งกอดเก้าอี้กันเป็นเครียดกันทั้งวันช่วงเดือนตุลานี่แหมจะเสียเก้าอี้หรือเปล่าจะได้เก้าอี้ใหม่หรือเปล่าวุ่นวายอย่างนี้นั่นพออายุหกสิบก็ไปกันหมดเหนื่อยกันไปเปล่าใช่ไหมเพราะไม่เห็นความจริงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นทุกขัง พยายามไม่เห็นสามตัวนี้แล้วจะไม่อยากได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่าสบายดูเขาเล่นดีกว่าไม่เหนื่อยไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอมีคำถามอะไรเชิญครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e บ o ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณปานะครับ การแผ่เมตตากับอุทิศบุญความหมายและความสําคัญมีอย่างไรบ้างคือการแผ่เมตตานี่หมายถึงการส่งความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นเช่นปีใหม่ในเราส่งสกสองนี่ก็เรียกว่าแผ่กันแผ่เมตตาซื้อของขวัญให้กันในวันปีใหม่นี่ก็แผ่เมตตา มีขนมขนมนมเนยแบ่งให้คนนั้นแบ่งคนนี้ก็เรียกว่าเมตตาคืออยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขเราได้รับความสุขจากการรับประทานขนมนมเนยเราก็อยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขบ้างเราก็แบ่งของพวกนี้ไปให้กับเขาอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาการแผ่เมตตาจึงต้องมีบุคคลที่รอรับเราอยู่เช่น เพื่อนเราพี่น้องเราด้วยใข่ก็ะตั้มถึงแม้ไม่มีข้าวของเราก็ยังแผ่ได้เช่นเราแผ่ความรู้สึกที่ดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อตึงหน้ายักหน้าแยกเขี้ยวใส่กันอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาอีกแบบหนึง่งหรือเวลาที่เขาทําให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยเขาไม่ถือโทษก่อกเครืองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาอีกแบบหนึง่งให้อภัย ไม่จองเวรจองกรร ม, มการแผ่เมตตาอีกแบบก็คือไม่ไปทุบตีเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาทั้งบทแผ่เมตตาที่เราสวดกันสัพเพสัตตาอเวราหุนตุแปล ว, ว่าอย่ามีเวรกรรมอย่าไม่จองเวรจองกรรมกันอพยาปชาหุนตุแปล ว, ว่าไม่เบียดเบียนกัน อนิกาโหนตุไม่ให้ความทุกข์ต่อกันละกันเอสุขีอตานังเปาริหารันตุอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเอเรียกว่าแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญนี้เป็นเรื่องของการแบ่งบุญซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่เป็นเป็นเฉพาะกรณีเพราะว่าบุญอุทิศนี้เราให้ได้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว แล้วต้องเป็นผู้ที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณคือพวกที่เวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ไม่ได้ทำบุญเวลาไปก็เป็นเหมือนกับไปเป็นขอทานไม่มีบุญติดตัวไปถ้าทำบุญแล้วถ้าทาบุญเวลาตายไปก็จะมีบุญติดตัวไปก็จะเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็คือพวกเทวดาทั้งหลาย พวกที่เป็นขอทานพวกที่ไม่มีบุญก็เป็นพวกเปรตพวกเปรดนี้เป็นพวกขอทานที่จะมารอรับส่วนบุญที่เราทำกันถ้าเราเป็นห่วงญาติสิริิสาหยคนรักเขารบที่เขาตายไปแล้วไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเศรษฐีบุญหรือเป็นเป็นขอทานเราก็แบ่งบุญส่วนนี้ไปได้อย่างนี้เรียกว่าอุทิดบุญ การจะอุทิศบุญก็ต้องมีบุญก่อนต้องทำทานก่อนเช่นวันนี้มาทำทานแล้วเราก็อุทิศบุญอันนี้ไปให้กับเขาได้คำถามจากคุณบางออนนะครับคำว่าไม่ดีและคำว่าชั่วคนละความหมาย <c oughs> มันแตกต่างกันอย่างไรครับมันก็บอกอยู่แล้ว คำ ว, ว่าดีมันก็ดีคำ ว, ว่าชั่วมันก็ชั่วจะถามยังไงอีกเราอยากจะรู้ว่าดีทํายังไงก็ดีก็เงี้ยให้มีความเมตตาอย่างเงี้ยเรียกวความดีการแบ่งปันกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันการช่วยเหลือกันนี่เรียกว่าการทําความดีความชั่วก็คือการเบียดเบียนกันการฆ่ากาันการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณี การพูดปดโกหกหลอกลวงกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นความชั่วถ้าไม่อยากจะทําชั่วก็อยา่าต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก็จะก็จะไม่ทําชั่วถ้าอยากจะเป็นคนดีก็ต้องมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาสงสารกรุณาก็คือความสงสารเมตตาก็คือมีความปรารถนาดีให้ผู้อื่นนั้นมีความสุข สงสารก็คือให้ผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากให้ได้ดุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเช่นตอนนี้มีน้ำท่วมอย่างนี้เรามีความสงสารเราก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งเครื่องคอเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเอาไปแจกไปจ่ายกันอันนี้เรียกว่าความสงสารทำอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทาดีเป็นคนดีคนดีไม่ได้ดีที่ชื่อตั้งชื่อว่าดีแต่ติดคุกติดตารางก็มี นายดีติดคุกก็มีเพราะว่าชื่อดีแต่ทำไม่ดีทำชั่วดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ชื่อไม่ได้อยู่ที่คำว่าดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำถ้าไม่กระทาบาป ก, ก็จะก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ชั่วถ้าทำบาป ก, ก็ชั่วแต่ไม่ดีถ้าอยากจะดีก็ต้องทำบุญทาบุญพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทำสองอย่างให้ทำบุญละบาป ทำบุญเราจะได้เป็นคนดีละบาปเราจะได้ไม่เป็นคนชั่วมีไหมมีครับคำถามข้อต่อไปจากคุณกะหนกศรีนะครับมีสติและปัญญาตามรักษาใจอยู่เกือบตลอดเวลาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบกับใจจิตสงบเย็นสบายอยู่ตลอดทั้งวัน ยืนเดินนั่งนอนพูดคุยกับใครในชีวิตประจำวันแม้พูดกับคนอื่นแต่จิตกลับสงบเย็นสบายเหมือนอยู่ในสมาธิตลอดเวลาเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมะแม้เราจะลืมตาหรือหลับตาอยู่ก็ตามคำถามข้อที่หนึ่งการที่เรามีสติ รักษาใจได้เกือบตลอดเวลานั้นเป็นสาเหตุทำให้จิตเราจะสงบลงไปเองได้ตลอดเวลาใช่ไหมก็สงบในสภาวะที่เป็นอยู่ถ้าไปอยู่กับสภาวะที่แตกต่างเกินแตกต่างจากที่เคยเป็นอยู่ก็ต้องอยู่ที่ว่าจะมีสติปัญญารักษาความสงบได้ต่อไปหรือไม่เช่นเราสงบกับในสถานที่สุขสบาย เช่นมีอาหารการกินครบถ้วนบริบูรณ์มีเครื่องปรับอากาศมีน้ำมีไฟมีอยากอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ดูได้ฟังอันนี้ก็เป็นสภาวะแบบหนึ่งถ้าเราไปอยู่อีกสภาวะแบบหนึ่งไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรให้กินให้ดื่มเช่นไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ดูซิว่ายังจะมีสติปัญญารักษาใจให้สงบได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นความสงบของเราในขณะปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้สงบในในถ้าเราอยู่ในในสภาวะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าเราต้องการจะทดสอบว่าใจเราจะสามารถอยู่ในความสงบได้ทุกสภาวะหรือไม่เราก็ต้องหาสภาวะที่มันลำบากยากเย็นเขียวเข็นจิตใจเราแรนแค้น อดอยากขาดแคลนเช่นไปอยู่วัดอย่างนี้ไปอยู่วัดป่าวัดเขาแล้วลองดูซิว่ายังจะสามารถรักษาใจให้สงบให้สบายได้หรือเปล่าการถือศีลห้าการถือศีลแปดนี่มันก็ต่างกันล้การถือศีลห้านี้ใจก็อาจจะสงบได้แต่พอไปถือศีลแปดนี่จะสงบได้หรือไม่เพราะมันตั้หาความอยากมันถูก ลิศรอนจะแล้วจะทําตามความอยากไม่ได้แล้วพอเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วหยุดตัณหาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ า, าความสงบที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นเพียงความสงบในสภาวะหนึ่งเท่านั้นเองยิ่งยิย่งถ้าเป็นสภาวะที่สุขที่สบายที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์นี้มันก็เป็นสิ่งที่ว่ามัน มันยังไม่พอเพียงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอาจจะถ้าไม่อดอยากขาดแคลนก็อยู่ที่เรื่องของภาวะของทางร่างกายก็ได้ร่างกายแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าจะยังมีสติปัญญาที่จะดูแลรักษา ความสงบของใจได้ต่อไปหรือไม่ดังนั้นบางทีเราก็ต้องสร้างสภาวะขึ้นมาเช่นทำให้เราเจ็บนั่งสมาธิไปแล้วปล่อยให้มันเจ็บเวลาเจ็บก็ดูซิว่าทำใจให้สงบได้เหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บหรือไม่ถ้าทำให้มันสงบได้เหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บก็สบายต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้ที่ต้องกินยาแก้ปวดกันก็เพราะว่า ทำใจให้สงบไม่ได้ใจมันทุกข์กับความเจ็บของร่างกายก็ลเลยต้องกินยาระงับความเจ็บปวดของร่างกายพอร่างกายหายจากความความเจ็บปวดของร่างกายบอรเทาลงไปใจก็สงบลงแตนะ่นี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ถูกวิธีแก้ที่ถูกก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างที่เราเคยใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ใช้ให้ดูให้พิจารณาให้เห็นว่าอ น, นิจจังทุกขังว่าความเจ็บนี้ก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปอยากให้มันหายไม่ได้เป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเวลามันมาก็ต้องอยู่กับมันเวลามันไปก็ปล่อยมันไปอันนี้ต้องใช้สติปัญญาถ้ามีสติปัญญารู้ทันความเจ็บมันก็ปล่อยวางความเจ็บได้ ต่อไปความเจ็บจะมาหรือจะไปก็จะไม่เดือดร้อนการนั่งสมาธิถึงจําเป็นต้องนั่ ง, ง, ง, งให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องไม่ลุกไม่ต้องขยับอันนี้เป็นการทําข้อสอบไม่ใช่ว่ามาเป็นสาดิตมาทําอะไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเป็นการทําข้อสอบทดสอบว่าเรามีสติปัญญาที่จะสามารถทําใจเราให้สงบเวลาเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายได้หรือไม่ ถ้าทําได้แล้วต่อไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งให้มันเจ็บอยู่เรื่อยๆพราะเรารู้ว่าเราทำได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาทรมานรอเวลามันเจ็บแล้วก็ทําใจของเราได้ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆไม่ต้องไปซื้อยาแก้ปวดมากินก็ใช้ธรรมโอสแถแทนได้อยู่กับความเจ็บได้ไม่รู้สึกทรมานใจ ดังนั้นการที่มีสติปัญญาในระดับหนึ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีสติปัญญาในทุกระดับภาวะของของชีวิตเรานี้มันมีขึ้นๆลงๆถ้าเรามีสติปัญญาอยู่ในภาวะที่กำลังขาขึ้นนี่มันก็ง่ายเวลาเงินเดือนขึ้นนี้ทุกคนก็รักษาสติปัญญากันได้ <h uman> เวลาเงินเดือนลงนี่มันดูรักษาสติปัญญารักษาความสงบกันได้หรือเปล่า ไม่โวยวายได้หรือเปล่าว่าอันนี้จังทุกขังมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอย่างนีได้หรือเปล่าใช่ไหมนะนี่เราต้องอย่าประมาทเนี่ยอย่าไปคิดว่าตอนนี้เรามีสติปัญญาเรารักษาใจให้สงบได้แต่เราไม่ดูสภาวะของเราว่ามันอยู่ในขาขึ้นและขาลงถ้ามันอยู่ในขาลงนี่ดีเช่นเวลาจะตายนี่เราทําใจให้สงบได้นี่ดีต่อไปจะไม่กลัวความตายต่อไป ถ้าผ่านความกลัวตายไปได้แล้วทีนี้สบายคำถามข้อที่สองนะครับจิตเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมอีกเหมือนที่หลวงตาพระมหาบัวพูดถึงนั้นมีลักษณะอย่างไรและผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองไหมว่าจิตตัวเองเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมอีกต้องเป็นต้องเป็นจิตที่อยู่ในระดับของสมาสติเท่านั้น คือมาสติก็คือไม่มีการเผลอเลยจิตนี้ถูกสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะวัดไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าไม่สามารถวัดไปคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลามันก็เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดเวลาการที่จะมีมหาสติได้ก็ต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกลมหายใจเข้าออกต อ, อนต้นนี้สติของเรามันไม่เป็นมหาสติ มันเป็นสติแบบล้มลุกคุกขานพุโทโธได้สองสามคำก็หายวับไปนะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอย่างนี้เรียกว่าล้มลุกคุกขานถ้าดึงให้อยู่กับพุโทโธหรือดึงให้อยู่กับปัจจุบันหยุดความคิดปรุงแต่งได้ตลอดเวลาสั่งให้คิดก็ได้สั่งให้หยุดก็ได้ไออย่างนี้ท่านจะเรียกว่าจะมีสติมีสมาธิอย่างแบบไม่เสื่อมได้ถ้าสติยังไม่เป็นสัมปชัญญะ เพว่าสัมปชัญญะก็คือสติต่อเนื่องนี่เองสติที่ไม่มีช่องไม่มีการเผลอเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ไม่เคยเผลอไปปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่ได้สั่งให้มันคิดเแต่คิดอะไรนี่ต้องสั่งมันมันถึงจะคิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าจะมีสมาธิแบบไม่เสี่อมได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็จิตก็สงบเพียงแต่ว่ายังถ้ายังไม่มีปัญญาจิตก็ยังทุกข์ได้ ถึงมีมีถึงแม้มีสติแต่ถ้าเกิดความถ้าคิดไปในทางความอยากปั๊บ <N un ly |sk|> <arya> มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญามันก็จะบอกว่านี่กําลังคิดไปในทางความอยากอย่าคิดไปในทางนั้นหยุดคิดเสียอย่าไปอยากขึ้นเงินเดือนอยากอย่าไปอยากได้เงินเดือนขึ้นอย่าไปอยากได้ตําแหน่งปล่อยให้มันมาเองเงินเดือนมันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นเองตําแหน่งมันจะมาก็ปล่อยมันมาเองอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์นี่ต้องมีปัญญาเข้ามาเสริม มีสติอย่างเดียวจะหยุดตัณหาไม่ได้ตัณหามันแทรกเข้ามาได้ถึงแม้มีสมาธิแต่ตัณหามันมันแรงกว่ามันแทรกเข้ามาได้ผู้ที่จะตัดตัณหาได้ก็ต้องเป็นปัญญาข้อที่สามนะครับที่หลวงปู่มั่นพูดว่าขณะปฏิบัตินั้นจะต้องให้เป็นวงกลมหมายความว่าอย่างไรไม่เคยได้ยินว่าท่านพูดนี้มาก่อนเนะ อะไรเป็นวงกลมอาถ้าบอกว่าขณะปฏิบัตินั้นจะต้องให้เป็นวงกลมบอกมาแค่นี้นครับอาาขณะปฏิบัติต้องเป็นปัจจุบันนะจิตต้องเป็นปัจจุบันจิตไม่ไม่ไม่ไปในอดีตไม่ไปในอนาคตจิตจะต้องอยู่ปัจจุบันถึงจะเรียกว่าเป็นสติจิตถึงจะสงบได้แต่ถ้าจ ะ, จะเจริญปัญญานี่ไปอดีตได้ไ ป, นะไปอนาคตได้ เพราะการจะพิจารณาอะไรให้เห็นว่าไม่เที่ยงนี้มันต้องเห็นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเช่นร่างกายของเราถ้าเราอยากจะเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเห็นว่าตอนที่มันออกมาจากท้องแม่เป็นอย่างไรตอนนี้มันเป็นอย่างไรตอนที่มันไปนอนในโรงมันเป็นอย่างไรจึงจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้าทางปัญญานี้มันต้องคิดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่มันก็ต้องอยู่ในปัจจุบัน จิตมันต้องคิดอยู่ในขณะที่อยู่ในปัจจุบันแต่คิดเรื่องอดีตอนาคตได้แต่ต้องคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่คิดแบบเพ้อเจอ้ออดีตก็อยากจะฝันกลับไปหาอดีตที่แสนหวานคิดถึงอนาคตที่ขมขื่นก็ไม่อยากจะไปเจออย่างนี้คิดแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นปัญญาแต่ถ้าคิดเป็นปัญญาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีหรือข้าวของอะไรต่างๆก็ดีเช่นซื้อรถใหม่มาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องเก่าลงไปเก่าลงไปห้าปีสิบปีเดี๋ยวมันก็พังได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็อาจจะไม่อยากจะซื้อก็ได้ขับรถเก่าไปดีกว่าเดี๋ยวมันก็เก่าเหมือนกันซื้อใหม่มาเดี๋ยวมันก็เก่าอยู่ดี หรือมีแฟนเก่าอยากจะเปลี่ยนแฟนใหม่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอเดี๋ยวคนแฟนใหม่มันก็เก่าเหมือนกันอยู่กับแฟนเก่าต่อไปอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาตัดความอยากได้อย่างนี้ก็ต้องมองเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่การปฏิบัติจริงๆนี้จิตต้องอยู่ปัจจุบันเสมอจิตต้องไม่ลอยไปลอยมาเช่นเวลาจเจริญสติ เพให้จิตสงบนี้ต้องอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวให้สักแต่ว่ารู้ว่ากําลังอยู่กับพุทธโธด้วยอยู่กับร่างกายเช่นเดินจงกรมอยากจะอยู่กับร่างกายก็อยู่กับการเดินก็ให้ดูกําลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาอย่างนี้ก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติพอมีสติจะนั่งสมาธิจิตก็จะสงบพอสงบแล้วถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาพิจารณา ให้เห็นอนิจจังเราก็ต้องพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตจะได้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคำถามข้อต่อไปนะครับคำว่าจิตสว่างกับจิตว่างเหมือนกันหรือไม่จิตว่างมันก็จิตสว่างอะถ้าจิตมันถ้าจิตมันถ้าจิตมันไ ม, ไม่ว่างมันก็จะมืด จิตมันไม่ว่ามันก็จะเมื่อดด้วยโมหะอวิชากิเลสตัณหาเวลาจิตสงบมันก็จิตจะว่างจะสว่างจะสว่างแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งบางทีมันก็สว่างบางทีมันก็ไม่สว่างความสว่างนี้มันไม่สำคัญขอให้มันสงบและให้มันว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆส่วนความสว่างนี้มันก็เป็นอนิสง์ของ เกกิดจาคววาาม่งงของจิตครับคําถามข้อต่อไปเป็นคําถามอขอพระอาจารย์เมตตาขยายความจากอาทิตย์ที่แล้วที่มีผู้ถามนะครับเกี่ยวกับว่าค า, ารวะเนี่ยถ้าเกิดบรรลุทางบรรลุธรรมสาเร็จอราหันแล้วเนี่ยไม่สามารถอยู่ในเพศค า, ารวะต่อไปได้ถ้าเกิดไม่ปวดเนี่ยต้องอต้องตายภายในเจ็ดวันหรืออะไรเงี้ยครับขอให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับ คือเรื่องของการบรรลุธรรมนี้เป็นเรื่องของจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายจิตเวลาที่จิตมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงนี้จิตจะมีความทุกข์แล้วความทุกข์ของจิตนี่จะไปกระเทือนร่างกายคนที่ตายเร็วนี่ก็เพราะว่าใจเครียดใจมีความทุกข์บางทีร่างกายยังไม่ตายเลยก็หายาพิษมาใส่ให้มันตายไป แต่ใจของพระอรหันนี้เป็นใจที่ไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์แล้วมันจะไปตายภายในเจ็ดวันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยพูดว่าถ้าบรรลุเป็นพออระอรหันแล้วจะถ้าไม่ได้บวช จ, จะต้องตายภายในเจ็ดวันไปค้นหาในพริปาตายไปดกดูลองไปเซิร์ชดูเลยไปใส่คําพูดว่าอ่ตายเจ็ดวันถ้าเป็นพระอรหันนี่จะมีไม่ในพระใจปีดก์รับลองได้ว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันทําให้คน เหมาไปคิดอย่างนั้นเองเช่ น, นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าก็บรรุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวันก่อนเสด็จสวรรคตแที่ท่านเสด็จสวรรคตเพราะว่าท่านใกล้ตายแล้วแล้วพระพุทธเจ้าไปโปรดไปสอนในตอนปลายบ้านปลายของชีวิตก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะตายเจ็ดวันก็เลยคิดว่าเนี่เห็นไหมพอเป็นการวาดเป็นพระอรหันต์แล้วจะ ต, ต้องถ้าไม่ได้บวชจะต้องตายภายในเจ็ดวัน เอกลักษณ์นึงก็คือพาหิยะนี่ก็ไปขอฟังธรรมจากพระเจ้าในขณะที่ทรงบินตบานพระเจ้าก็ทรงแต่งว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะสอนธรรมนะเขาก็บอกอยากจะฟังขอให้สรุปเอาเอาแต่แก่นก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงพูดว่าเห็นอะไรก็สั์แต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สัตกแต่ว่าได้ยินท่านนี้เขาก็เข้าใจเขาก็ นาไปขอจะไปเตรียมบริขารเพื่อจะมาบวชขอบวชระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขิดตายพระเจ้าทราบข่าวก็ทรงบอกว่าให้ทำชาปนกิจแล้วให้เอาอัฐิก็ดูของเขาบรรจุไว้ในสถูปการบรรจุอัฐิของคนไว้ในสถูปนี้แสดงว่าต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระมหาจากักรพรรดิถึงจะสร้างสถูปเพื่อบรรจุไว อันนี้ก็เป็นข่าวว่าที่ตายบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วยังไม่ได้บวชก็ตายไปก่อนก็เลยกลยเป็นกรณีที่ทำให้คนคิดแปลว่าถ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วแล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันนี้ก็จะต้องตายไปกันพูดตามเหตุตามผลแล้วจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ไม่ไปกระทบกระเทือนกับร่างกายแต่อย่างใด จิตที่ไม่บริสุทธิ์ต่างหาที่ไปกระทบกระเทือนคนที่มีความเครียดมากๆทําให้ความดันขึ้นทําให้เอใหช็อกตายกันอทําให้หัวใจวายกันความดันอะไรต่างๆเหล่า น, น, นี้ก็เกิดจากความเครียดเกิดจากความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เกิดจากความบริสุทธิ์ของใจดังนั้นใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะไม่มีผลเสียต่อร่างกายเลย มีจะ ท, ทำให้ร่างกายนี้มีอายุยืนยาวนานอยู่สมเด็จพระสังฆราชอายุร้อยพรรษาหลวงตาเก้าสิบแปดเนี่ยคูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายนี่ท่านเก้าสิบกว่าขึ้นไปทั้งนั้นร้อยก็มีบางรูปเพราะจิตใจท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์นั่นเอง ไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวหอมผ้าเหลืองเนรยะโยมก็โกนหัวหมผ้าเหลืองกันจะได้อยู่กันไปร้อยปีพันปีแล้วก็ทําบาปทาการทากรรมเข้าดิสโก้เข้าผับเข้าบาร์กันบวชแล้วไม่ตายแล้วอยู่ไปได้นานนะมันไม่ใช่หรอกนะงั้นอย่าไปอย่าไปเชื่ออย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในการลาม่สูตรเวลาใครก็พูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ ที่เราไม่รู้กันก็เพราะว่าเราไม่ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันพอใครก็พูดอะไรขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความลังเลยสงสัยขึ้นมาได้หรือพวกที่ชอบเชื่อก็เชื่ อ, เ, อเลยก็มีก็เลยกลัวกันใหญ่กลัวว่าโอ้นชาตินี้คงไม่ได้เป็นผราอหารหันต์แล้วเพราะกลัวจะตายเพราะยังไม่อยากจะบวชอยากจะเป็นพระอรหันต์แต่ไม่อยากจะบวชกัน แต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนที่เป็นผ้าหลอกส่วนใหญ่ก็ขอบวชกันทั้งนั้นทำไมพระพุทธการที่ได้ที่ได้แสดงธรรมไว้ในตอนต้นเนี่ยพอได้ฟังเทศน์ตามๆของพระพุทธเจ้ารับบรรลุปั๊บก็ขอบวชกันทั้งนั้นเพราะว่าคนที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่รู้จะอยู่แบบคารวะไปทําไมพอชีวิตของคารวะก็คือชีวิตของกิเลสนี่เองเข้าใจไหมเป็นชีวิตของความทุกข์อยู่ในกองไฟ การเป็นคารวะนี้เหมือนอยู่ในกองไฟการบวชนี้เหมือนกับการออกจากกองไฟออกจากกองทุกข์นักบวชนี้จะไม่มีความทุกข์เหมือนกับคารวะใช่ไหมคารวะนี้่ทุกข์กับอะไรทุกข์กับลาบยศสรรเสริญทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับบิดามารดาทุกข์กับครอบครัวทุกข์กับทุกเหตุทุกอย่างที่ตนเองมีอยู่นักบวชเวลาบวชแล้วมีแต่อาถบริขารเท่านั้นก็เลยไม่รู้จะไปทุกข์กับอะไร เข้าใจนะไนะพ อ, อยังอาจารย์ครับในในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยครับมีกระแสข่าวปล่อยออกมาประมาณว่าวิเคราะห์กันว่าพระพุทธเจ้ า, าคือคนไทยเมืองต่างๆในพุทธประวัติก็คืออยู่ในประเทศไทยทุคโนเปรียเทียบต่างๆนะ่ครับ อ, อยากให้พระอาจารย์อธิบายหน่อยครับอยเราก็ไม่รู้หละเพราะเราไม่ได้สนใจ เท่าที่ทราบมาก็คือตามประวัติศาสตร์ที่เขาได้จาวเล็กไว้พระพุทธเจ้าก็อยู่ในชมพูทวีปซึ่งเขาก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าอยู่ในประเทศอินเดียก็มีบออมีสังเวชนียสถานสี่อยู่ในประเทศอินเดียอยู่แล้วแล้วยังจะมามีข่าวอะไรอย่างนี้คนที่มันไปเชื่อมันก็นมันมันโง่ขนาดไหนใช่ไหมแล้วในเมืองไทยมันมีหรือเปล่าสังเวชนีสถานสี่ไม่มีซะหน่อย คนไทยเราเนี่เป็นคนที่โง่ามากโดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธศาสนานี่ไม่รู้เรื่องศาสนาของตัวเองเลยไม่รู้ว่ า, าศาสนาสอนให้ทําอะไรเงี้ก็เชื่อกันมาถูกสอนกันมาให้เชื่อกันไม่เคยศึกษาจากต้นต้นฉบับไม่เคยศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างที่เขาว่าพุทธวจนะนี่ความจริงมันก็ไม่เสียหายนะ มันก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเองแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางเดียวเท่านั้นเองมันเป็นหนึ่งในหลายหลายทางเป็นทางที่สำคัญที่ควรจะรู้แต่การรู้พุทธวจะนะอย่างเดียวนี้ถ้าปฏิบัตินี้มันจะไม่พอเพราะว่ามันมันเป็นความรู้ที่เหมือนกับเป็นตู้ยาอย่างเงี้ยมียาอยู่สิบยี่สิบชนิดในตู้ยาเวลาเราเป็นโรค อะไรขึ้นมานี่เราไม่รู้จะไปหยิบยาชนิดไหนมากินแต่ถ้ามีหมอมาหยิบให้นี่มันง่ายหมอนี่ก็คือครูบาอาจารย์ต่างๆภาษาวกต่างๆพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเหมือนหมอพอเราเป็นมีปัญหาอะไรไปเล่าให้ท่านฟังปั๊บท่านก็จะหยิบยาเอายาเนี่ไปกินซิเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปคนเปิดตาราพระไตรปิฎกว่าเป็นโรคนี้มันจะแก้อ ย, อย่างไร บางทีหาไม่เจอดัองนั้นการที่ไปถือว่าต้องเป็นพระพุพทธวจนะเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่เชื่อลองปฏิบัติดูเลยลองไปอ่านพุทธวจนะแล้วลองไปปฏิบัติดูดูซิว่ามันจะไปถึงไหนกันสำหรับบางคนอาจจะไปได้ง่ายกว่าเพราะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะแยกแยะ ที่จะพิจารณาคำสอนของพระเจ้าแล้วจะจำได้ว่าจำได้มากจำได้น้อยเวลาปฏิบัติแล้วมีปัญหานึกถึงคำสอนที่สอนได้หรือเปล่าอันนี้บางคนก็อาจจะไปได้โดยพุทธวจนะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วระว่างการไปหาหมอกับการหายากินเองเนี่ยอย่างไหนจะง่ายกว่ากันเวลาไม่สบายเราก็มียาในบ้านเต็มกันหมดแต่เรามักไม่คิดถึงยาเท่าไหร่คิดถึงหมอมากกว่า ไปโรงพยาบาลดีกว่าดังนั้นก็ควรจะมียาอยู่แต่ก็ถ้ามีหมอก็ควรจะเข้าหาหมอจะง่ายกว่าจะสะดวกกว่าจะไปได้เร็วกว่าจะโครคภัยไข้เจ็บจะหายได้ง่ายกว่ากันถ้ารักษาเองเดี๋ยวกินยาผิดเป็นยังไงช็อกตายก็มีเอบจับจบ ความรู้สึกส่วนตัวที่เคยได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับพุทธวจนะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับที่ได้รู้คํำพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเพียงเท่านั้นมันไม่พอไม่พอที่จะหลุดพ้นได้และอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเรารู้แต่ทฤษฎีแต่ไม่รู้หลักการปฏิบัติครับนั่นแหละถึงต้องบอกว่าต้องต้องไปเรียนจากหมอต้องไปหาหมอถ้าถ้ารักษาตัวเองด้วยตําลาเอง เปิดตำราแล้วก็หยิบยาที่ตนยังคิดว่าเป็นยาที่จะรักษาได้เนี่ยอาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้อย่างหลวงตาท่านก็เล่าให้ฟังตอนที่หลวงตาท่านตอนที่หลวงปู่มั่นชินนี้หลวงตาท่านบอกท่านยังไม่เสร็จกิจของท่านท่านกําลังอยู่ขั้นสุดท้ายอยู่พอดีพอลอลงปู่มั่นนี้ท่านมาหน้าภาพไปแล้วก็ทําศพของท่านเสร็จแล้วท่านก็ไปภาวนาแล้วท่านก็ปรากฏเห็น อจิต ท, ที่สว่างสวัยขึ้นมารู้สึกตอนนั้นท่านบอกว่าอยู่ในช่วงเดือนมีนาหรืออะไรเนี้ยแล้วท่านก็ไม่เข้าใจฮแต่ว่าไอ้นี่เป็นอะไรวิธีจะปฏิบัติไอ้นี่เป็นอย่างไรแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีทำผุดขึ้นมาบอกว่าจุดตรงไหนจุดจุดใดที่มีจุดมีตอมอยู่จุดนั้นนะเป็นเป็นพบเป็นชาตินะมันเป็น ปริศนรรมที่ผล่ขึ้นมาในใจของท่านท่านก็ไม่เข้าใจความหมายว่าเป็นอะไรท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นอยู่เนี่ยถ้าท่านเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านหลวงปู่ท่านจะชี้บอกเลยว่าให้ปฏิบัติอย่างไรแต่เนื่องจากไม่มีท่านอยู่แล้วท่านก็เลยงงต้องแบกปริศนานี้อยู่ถึงสามเดือนด้วยกันจน ถ, ถึงเดือนพฤษภาเนะี่ยท่านก็มาตีปัญหานี้แต่ ถ้าอยู่กับหลวงปู่ม่านก็แตกตั้งแต่เป็นชนะโผล่ขึ้นมาถ้าไปเล่าให้ท่านฟังพระท่านจะที่บอกเลยก็ไอตัวนี้ไงตัวสว่างนี่แหละที่มันเป็นจุดเป็นต่อมอย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันยึดไปยึดไปติดกับมันก็จะเป็นภพเป็นชาติแต่เวลาไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะโอ้มันจะเห็นความอัศจรรย์ของความสว่างสวัยตัวนี้มันก็อยากจะไปรักษามันแทนที่จะปล่อยมันกลับไปรักษามัน พอไปรักษามันมันก็เลยกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นตันหาความอยากขึ้นมาอยากจะให้มันสว่างตลอดเวลาแต่ไอความสว่างนี่มันก็เป็นอนิจจมันก็มันก็เสื่อมได้พอมันเสื่อมก็พยายามที่จะรักษามันด้วยสติได้ปัญญาให้มันสว่างขึ้นมาใหม่มันก็เลยเป็นภารกิจต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดวิธีที่ถูกก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจทุกขังวนตตา มันจะสว่างก็ปล่อยมันสว่างไปมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปนะพอเปือ้อนพอปล่อยมันปับ๊บมันก็จะผ่านได้ผ่านแล้วทีนี้มันก็จะเจอแต่ความที่ไม่เสื่อมอันนี้แหละการปฏิบัติมันจะมีเขาเรียกหลุมพรางอยู่หลายหลายหลุมด้วยกันอย่างสมาธิก็เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปติดกับหลุมมิจฉาสมาธิก้า เห็นสวรรค์เห็นนรกเไปนรกชาติได้เป็นมีตาที่ผู้ทิดมันก็จะไปติดหนุมนั่นนะ่ะเดิ้งไม่หลุดนะนั่งสมาธิทีไรก็จะต้องเห็นอย่างเดียวเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วก็คิดว่าเป็นมากเป็นผลไปเสียแล้วมันก็จะไปไม่ได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาแก้มันก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะดัะงนั้นการศึกษาจากตำราเพียงอย่างเดียวจงไม่พอ เพราไม่มีคนที่จะมาคอยบอกว่าเรากําลังเดินผิดทางหรือไม่ผิดทางแต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะรู้เวลาเราพูดเราออกมาปั๊บนี่ท่านรู้เลยนยดังนั้นควรจะมีทั้งสองอย่างควรจะมีทั้งคําสอนของพระพุทธเจ้าและควรจะมีครูบาอาจารย์แต่พอได้ครูบาอาจารย์ที่เรามั่นใจว่าท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วทีนี้ คำสอนของพุทเจ้าก็ไม่ต้องใช่ละเอาเอาคำสอนของท่านนี่แหละสําคัญกว่าแล้วเพราะว่าท่านจะสามารถที่จะอาพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ยอย่างแน่นอนนะจะดีกว่าพุทธวจนะแลอันนี้ไม่ไม่ศระมาาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคาสอนของครูบาอาจารย์ก็มาจากพระพุทธเจ้าดีๆนี่เองพระพุทธเจ้าก็ยกย่องวาสวกของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะ สืบทอดเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปดังนั้นการเชื่อกูบาอาจารย์ที่มีบรรลุมรรคผลนิพพานะนั้นก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าดีๆนี่ไม่ต้องไปแยกแยะว่าต้องฟังจากพระโอษฐ์อย่างเดียวถึงจะเป็นคำสอนที่แท้ที่บอยสุดถ้าฟังคำสอนจากหลวงตาหลวงปู่แลจะเป็นคำสอนที่เพี้ยนไปไม่ใช่ คนจะมีทั้งสองอย่างเบื้องต้นคนจะมีพุทธวจนะก่อนเป็นเป็นมาตรฐานเพื่อที่เราจะได้สหาสแสวงครูบาอาจารย์ที่สอนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเรารู้ว่าองค์นี้สอนถูกต้องแนละ้วทีนี้เราก็เอาเอาคําสอนจากครูบาอาจารย์แทนได้แนละ้วไม่ต้องเอาคําสอนจากพระพุทธเจ้านะเพราะว่าคําสอนพระเจ้ามันไม่ทันสมัยมันไม่ปัจจุบันทันด่วน ไม่เหมือนกับคำสอนของครูบาอาจารย์อยู่กับท่านนี้ท่านจะรู้วาระจิตของเรารู้ขั้นปฏิบัติของเราจากกิริยาการของเราเนี่ยจะดูออกว่าอยู่ขั้นไหนอยู่ขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญานี่มันจะเห็นคนที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วจะเห็นอาการของคนที่ยังไปไม่ถึงจะรู้ว่าอยู่ถึงขั้นไหนติดอยู่ตรงไหนท่านก็จะคอยแคะคอยคอยดึงคอยลากให้ออกจากจุดที่ติดอยู่ แต่พุทธวจนะนีน้ทำหน้าที่นี้ไม่ได้นในในสมัยนี้ครับอาจารย์สมัยที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับมีเ c e b o ๊ k เป็นตัวนำข่าวสารถึงคนต่างๆได้รวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีของอโดยเฉพาะข่าวไม่ดีของพุทธศาสนาครับ แต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยเห็นข่าวไม่ดีไม่ว่าจะพับอภิสตนไม่ดีหรือข่าวโจมตีผู้สาราต่างๆไม่ดีจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหวใดๆเลยเพราะว่าพวกเขาจะยึดแต่คําของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวยึดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวครับอาจารย์คือคนมีปัญญาก็จะแยกแ ย, ยะได้ครว่าปลาเน่าตัวเดียวมันไม่ได้เน่าทั้งเข่งใช่ไหมปลาไหนเน่าแล้วก็เลือกปลาที่เน่าทิ้งไปเดย ไ ป, ไปทิ้งปลาดีๆไปทําไมปลาดีก็ยังเก็บไปได้ในพระพุทธศาสนาก็เป็นที่รวมของคนทั้งคนดีและคนไม่ดีปลอมปลอมบนกันมาพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีพระไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับท่านกันแล้วกันก็มีเท่านั้นเราไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรกับท่านท่านอยากจะไม่ดีก็เรื่องของท่านไปสมัยพระพุทธการก็มีพระเทวทัตก็มีเห็นไหอ พยายามโปรยพระชนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปทำร้ายเทวทั์แต่อย่างใดก็ปล่อยเทวทั์อยู่ของเขาไปท่านพระพุทธเจ้ามีหน้าที่สอนคนให้เห็นความจริงก็สอนไปคนที่จะเชื่อก็เชื่ อ, อไปคนไม่เชื่ออยากจะไม่เชื่อของไม่จริงก็ก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือไม่มีความเท่าเทียมกัน มีสูงสูงต่ำาๆมีบัวสี่เหล่าเนียพวกที่บัวบัวที่อยู่ใต้น้ำนี่มันก็เชื่อง่ายอะไรเกิดขึ้นก็จะเชื่อทันทีแต่พวกที่อยู่บืออยู่เหนือน้านี่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆจะต้องพิสูจน์ก่อนไม่เป็นแบบพวกกระต่ายตื่นตูมพวกที่เชื่อกระต่ายตื่นตูมนี่ก็ โ, โหยก ola หอนกันหมดเลยวิ่งกันเป็นขยง พอมาเจอราชสีเข้าราชสีถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกโรค ก, กำลังถลม่มทลายทลายตรงไหนวะไหนพาไปดูไหนสินกระตายมันถึงแม้ว่ามันจะกลัวโลกถลม่มแต่มันกลัวราชสีมากกว่า <c oughs> ก็เลยต้องยอมกับพาไปหาที่ ท, ที่มันคิดว่าโลกกาลังถลม่มพอไปถึงราชสีก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูอ๋ออต้นลูกตาลมันหล่นลงมานี่เองมันถล่มตรงไหนมันก็แค่ลูกตาลหล่นลงมานี่ ี่ยพวกพวกบัวเหนือน้ำเขาจะเป็นอย่างนั้นก็จะมีเหตุมีผลก็ไม่ได้ฟังอะไรแล้วก็จะเชื่อทันทีทันใด แ, แต่พวกที่บัวใต้น้านี่พอใครพูดอะไรขึ้นมาหน่อยก็กเชื่อกันแล้วเห็แ ม, ม้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่บอกโลกจะถล่มนี่ก็โว้วุ่นวายกันไปหมดเลยแล้วเป็นไงหายเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นะเดี๋ยวก็มีข่าวใหม่ขึ้นมาก็ตื่นกันอีกพวกมงคลตื่นข่าวก็เรียกน เพราะไม่มีปัญญาไม่มีความหนักแน่นไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษากันชอบเชื่อกันพวกขี้เกียจไม่อยาบศึกษาชอบจะรู้อะไรแบบง่ายๆถามเขาเขาว่าไงก็เชื่อกันไปงั้นอย่าขี้เกียจต้องไปรู้ใยศึกษาปริยัติธรรมนี้สําคัญการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สําคัญ ถ้าไม่สอนก็จะไม่มีความรู้ที่เราจะได้มีอะไรมาคอยเตือนใจเราเวลาใครมาหลอกเราเราจะได้รู้ว่าเขาหลอกเราหรือไม่อาจารย์คะอยางรู้กังนะคะอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าธรรมที่สมแตกแยกกันนะคะถ้าอย่างในส่วนของคาราวาจะผิดข้อ น, นี้เนี่ยมันจะผิดในระดับงาะไหนคงยากมั้งคาราวาคงไม่เกี่ยวส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพระด้วยกัน แต่ก็ยังไม่เคยมีเห็นกรณีที่เห็นก็กรณีของพระเทวทัพเนี่ยที่ชัดเจนที่ทำให้สูงแตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่าย ก็ยังไม่ถึงขั้นแตกแยกก็เพียงแต่ว่ามีนานาจิตตังคนนึงอยากจะกินเจคนไม่อยากกินเจก็ยังอยู่ด้วยกันได้เองรักษาทมวิัยได้อยู่เหมือนกันอยู่เรื่องเรื่องนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกไม่ต้องไปกังวล น, นะเอาแล้วนะถือว่าพอสมควรเดี๋ยวจะเริ่มไปเ อ, อ, ไอเรื่องอะไรต่เรื่องอะไรไปใหญ่ อขอให้ทุกคนพยายามปฏิบัติไปเถิดนะแล้วผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซีดีครับน่าหยิบได้นี่นครับฟังซีดีพระจารเราโงด์ชอปปิ้งเลยขึ้น ก็รย้เยอะสิมีเงินเยอะเยอะสรมีงินเยอะเยอาไปทำมุนขเยอะมนเก่งไหมใช่สิ่งนี้ยังเป็นไม่ดีกด้